คำอธิบายไตรลักษ์ตามหลักวิชาในคำภีขอยกเอาหลักธรรมนิยามที่แสดงไตรลักษ์หรือสามัญยลษณะส า, สามอย่างมาตั้งเป็นหัวข้ออีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามแนวหลักวิชาที่มีหลักฐานอยู่ในคำภีต์ต่างๆดังนี้ 1. สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเรียกตามคำบาลีว่าเป็นอนิจหรืออนิจจ์แต่ในภาษาไทยนิยมใช้คำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงความเป็นสิ่งไม่เที่ยง หรือภาวะที่เป็นอนิจหรืออนิจจังนั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าอนิจจตาลักษณะที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเรียกเป็นศัพท์ว่าอนิจจะละักษณะสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ในภาษาไทยบางทีใช้อย่างภาษาพูดว่าทุกขขัง ความเป็นทุกข์ความเป็นของคงทนอยู่ไม่ได้ความเป็นสภาวะมีความบีบคั้นขัดแยง้งหรือภาวะเป็นทุกข์นั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าทุกขตาลักษณะที่แสดงถึงความเป็นทุกข์เรียกเป็นศัพท์ว่าทุกขลักษณะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา ความเป็นอนัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตนหรือภาวะที่เป็นอนัตตานั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าอนัตตาลักษณะที่แสดงถึงความเป็นอนัตตาเรียกเป็นคำศัพท์ว่าอนัตตลักษณะในหลักไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตานั้น มีข้อที่ควรทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำว่าสังขารทั้งปวงกับธรรมะทั้งปวงผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในข้อหนึ่งและข้อสองท่านกล่าวถึงสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ แต่ในข้อสามท่านกล่าวถึงธรรมะทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใช่ตนการใช้คําที่ต่างกันเช่นนี้แสดงว่ามีความแตกต่างกันบางอย่างระหว่างหลักที่หนึ่งและที่สองคืออนิจจตาและทุกขตากับหลักที่สาคืออนัตตาและความแตกต่างกันนี้จะเห็นได้ชัด ต่อเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าสังขารและคำว่าธรรมะคำว่าธรรมหรือธรรมะเพื่อไม่ให้ผู้ฟังสับสนกับคาว่าธรรมที่สะกดด้วยทอทหารในหลายแห่งจะขออ่านว่าธรรมะนะครับธรรมหรือธรรมะเป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดกินความครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามี ทั้งที่มีได้และได้มีตลอดกระทั่งความไม่มีที่เป็นคู่กับความมีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครก็ตามกล่าวถึงคิดถึงหรือรู้ถึงทั้งเรื่องทางวัตถุและทางจิตใจทั้งที่ดีและที่ชั่วทั้งที่เป็นสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัยรวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือธรรมะทั้งสิน้น ถ้าจะให้ทำหรือธรร ม, มะมีความหมายแคบเข้าหรือจำเพาะ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งก็เติมคำขยายประกอบลงไปเพื่อจำกัดความให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการหรือจำแนกแยกธรร ม, มะนั้นแบ่งประเภทออกไปแล้วเลือกเอาส่วนหรือแง่ด้านแห่งความหมายที่ต้องการหรือมิฉะนั้นก็ใช้คำว่าทำหรือธรร ม, มะคำเดียวเดียวโดดเต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละ แตตกลงหรือหมายรู้ร่วมกันไว้ว่าเมื่อใช้ในลักษณะ น, นั้นๆในกรณีนั้นหรือในความแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นจะให้มีความหมายเฉพาะในแนวความหรือขอบเขตว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเมื่อมาคู่กับอธรรมหรือใช้เกี่ยวกับความประพฤติที่ดีที่ชั่วของบุคคลหมายถึงบุญหรือคุณธรรมคือความดีเมื่อมากับคาว่าอัทะ หรืออัดหมายถึงตัวหลักหลักการหรือเหตุเมื่อใช้สำหรับการเล่าเรียนหมายถึงปริยัติพุทธพจน์หรือคําสั่งสอนดังนี้เป็นต้นธรรมหรือธรรมะที่กล่าวถึงในหลักอนัตตาแห่งไตรลักษณ์นี้ท่านใช้ความหมายที่กว้างที่สุดเต็มที่สุดขอบเขตของศัพ์ คือหมายถึงสภาวะหรือสภาพทุกอย่างไม่มีขีดขั้นจำกัดธรรมหรือธรรมะในความหมายเช่นนี้จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแยกแยกแจกแจงแบ่งประเภทออกไปเช่นจำแนกเป็นรูปธรรมและนามธรรมบ้างโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมบ้างสังคตตาธรรมและอสังคตาธรรมบ้างกุศลธรรมอกุศลธรรม และอัพยากริธรรมหรืออัพยากตาธรรมคือสภาวะที่เป็นกลางกลางบ้างธรรมหรือธรรมะที่จำแนกเป็นชุดเหล่านี้แต่ละชุดครอบคลุมความหมายของธรรมะได้หมดสิ้นทั้งนั้นแต่ชุดที่ตรงกับแง่ที่ควรศึกษาในที่นี้คือชุดสังคตะธรรมและอสังคตะธรรม ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงแยกประเภทได้เป็นสองอย่างคือ 1. สังคตาธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมะที่มีปัจจัยสภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมารวมกันแต่งสันขึ้นสิ่งที่ปัจจัยประกอบเข้าหรือสิ่งที่ปรากฏและเป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารซึ่งมีรากศัพท์และคำแปลเหมือนกันหมายถึงสภาวะทุกอย่างทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นโลกียะและโล ก, กุตระทั้งที่ดีที่ชั่วและที่เป็นกลางกลางทั้งหมดเว้นแต่นิพพานในส่วนของสังขต ธ, ธรรมนั้น มีคำจำกัดความแบบอภิธรรมในย่าหนึ่งได้แก่กุศลในภูมิสีอกุศลวิบากในภูมิสีกิริยาอัพยากฤตในภูมิสามแล้วรูปทั้งปวง 2. อ, งอสังคตาธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมะที่ไม่มีปัจจัย หรือสภาวะที่ไม่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารซึ่งแปลว่าสภาวะปลอดสังขารหรือสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงนิพพานโดยในยะนีีจะเห็นชัดว่าสังขาร คือสังคตาธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมะแต่ธรรมหรือธรรมะกินความหมายกว้างกว่ามีทั้งสังขารและนอกเหนือจากสังขารคือทั้งสังคตาธรรมและอาสังคตาธรรมทั้งสังขารและวิสังขารหรือทั้งสังขารและนิพพานเมื่อนำเอาหลักนี้มาช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับไตรลักษ จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองข้อต้นคืออนิจจาและทุกขตาว่าต่างจากข้อสุดท้ายคืออนัตต า, ตาอย่างไรโดยสรุปได้ดังนี้สังขารคือสังคตาธรรมท่านปวงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ตามหลักข้อหนึ่งและข้อสองแห่งไตรลักษณ์และเป็นอนัตตาด้วยตามหลักข้อสาม แต่สังคตาธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานไม่ขึ้นต่อภาวะเช่นนี้ธรรมะทั้งปวงคือทั้งสังคตาธรรมและอสังคตาธรรมทั้งสังขารและมิใช่สังขารคือสภาวะทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิน้นรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตาคือไรตัวมิใช่ตน อนัตตาเท่านั้นเป็นลักษณะร่วมที่มีทั้งในสังคตาธรรมและอสังคตาธรรมส่วนอนิจจตาและทุกขตาเป็นลักษณะที่มีเฉพาะในสังคตาธรรมซึ่งทำให้ต่างจากอสังคตาธรรมในพระบาลีบางแห่งจึงมีพุทธพจน์แสดงลักษณะของสังคตาธรรมและอสังคตาธรรมไว้ เรียกว่าสังคตะาลักษณะและอสังคตะาลักษณะใจความว่าสังคตะาลักษณะคือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นสังคตคือว่าเป็นสภาวะที่มีปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันแต่งสรรค์ขึ้นคือเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นสังคตของสังคตธรรมมีสามอย่าง คือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความแตกดับหรือความสลายปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความพันแปรปรากฏส่วนอสังขตละลนะักษณะคือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นอสังขตะ คือว่ามีใยสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันทำขึ้นแต่งขึ้นของอสังคตธรรมก็มีสมอย่างคือ 1. ไม่ปรากฏความเกิด 2. ไม่ปรากฏความสลายและ 3. เมื่อดำรงอยู่ไม่ปรากฏความผันแปร ى. รวมความมาย้าอีกครั้งหนึ่งให้ชัดขึ้นอีกว่า สังคตาธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานพ้นจากภาวะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แต่ก็เป็นอนัตตาไรตัวมิใช่ตัวส่วนธรรมะอื่นนอกจากนั้นคือสังขารหรือสังคตาธรรมทั้งหมดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังความในบาลีแห่งวินัยปิดกผูกเป็นคถายืนยันไว้ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังคตาธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้จากวินัยปิฎกเล่มที่แปดส่วนในคำพีชันอัฏฐคถาพึงอ้างหลักฐานเช่นอมตาบทหรือนิพพานว่างจะอัตตาอั ต, ตสุญญามาตะประทงัง จกวิิสุทมันิพพานธรรมชื่อว่าว่างจะอัตตาเพราะไม่มีตัวตนนั่นเองนิพพานธรรมโมอัตตเสวะอภาวโตอตตะสุญโยจากคำพีปฏิสัมพิธามัอาคอัตถะ